ก็เลิกกันเลยฉันไม่เหลือใครครึ่งชีวิตหายไปแค่ค่ำคืนจากคนรักฉันกลายเป็นคนอื่นที่เธอคงไม่อยากจำความรู้สึกนี้ จากนี้ต้องเก็บไว้รัก ใจยังมีวันนี้ยังไม่ตายแต่จะอยู่เพื่อใครไม่รู้เลยอยากกลับไปรักกันเหมือนที่เคยคงทำได้เพียงในฝันความรู้สึก t o n i y u the o n m e